หลงเพลินหลงทรรมหลงประมาทมัวเมาคำว่าประมาทมัวเมาเนี่มันกินครอบไปหมดเลยะความเมาข้างในมันมันไม่เหมือนเมาข้างนอกเมาข้างนมีโอกาสสางซาเมาข้างในถ้าไม่ก้ามาตรงนี้ไม่เจอไม่พบไม่เจอเมาอยู่เรื่อย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 โอกาสเริ่มใส่ศรัทธาสามารถปลีกตัวได้ให้โอกาสกับตัวเองได้วิธีอื่นก็ยังเป็นวิธีที่ยังห่างโยกวิธีนี้เป็นวิธีที่ติดขยับเข้ามาติดที่กายติดที่วาจาของเราเรามาคิดดูกรรมของเรากายกรรมวัจีิกกรรมมนกรรม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 ขาสัมมัทก็คืออยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่ยักย้ยายผันแปรไปตามอารมณ์อื่นจิตมาสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวภาวนาอยู่นั้นมัดตัวเององน่นันแะมันจะชวนนึกชวนคิดชวนปรุงมันเจ็บมันปวดมันอะไรอะไรครับดูมันอย่แหละไม่ยอมปล่อยปล่อยโอกาสให้มัน ไม่ยอมทำใจเบากับมันอยู่นี่แนะถ่ายหนักถ่ายเบาใส่เข้าไปเลยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นี้ไปทาเป็นใจน้อยต้องทำให้เท่ามันถ้าไม่เท่ามันชุ่มมันไม่ได้ละไม่เท่ามันไม่เก่งเท่ามันไม่รู้ทำมันชุ่มมันไม่ได้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 จะพอเรื่องคำพุทโธดูทุกก็ได้ดูเวทน า, าพุทโธเมื่อก่อนนั้นพุทโธํากับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพอมันเจ็บปวดมากๆพุทโธพุทโธจ่อไปตรงที่ม<อ>ันปวดพุดทโธพุทโธพุทโธลองทำดูทําด้วยความสังเกตสังกาสังเกตจิตใจของเรา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 รมีสิ่ลนี้เป็นพื้นฐานมันเป็นกำลังมันเป็นพลังกิเลสตันหามันแทรก้มยากอ้าวจากนี้ไปตั้งใจ